ะมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถยังเวชยันตประศาส์ของเท้าสกเทวราชให้วันไหวได้แม้เพียงเอาหัวแม่เท้ากดลงไปเท่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่อาจพ้นจากความตายซึ่งมีอนุภาพใหญ่หลวงครอบงำสัตว์โลกทั้งปวงอยู่และไม่อาจพ้นจากผลแห่งกรรมอันหนักที่ตนเคยทาไว้แล้วได้ดังเรื่องของท่านต่อไปนี้ คราวหนึ่งพวกเดียรถีคือนักบวชลัที่อื่นประชุมกันปรารพกันว่าบัดนี้ลาบสการะของพวกเราเสื่อมลงไปมากแต่ลาบสการ ะ, จะเจริญขึ้นแก่พระสมณโคดมและสาวกท่านทั้งหลายทราบหรือว่าเป็นเพราะเหตุใดคนหนึ่งในที่ประชุมนั้นกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าทราบสาเหตุนี้คือสาวกรูปหนึ่งของพระสมณโคดมชื่อมหาโมคลานะ มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเที่ยวไปในเทวโลกสนทนากับเทวดาถามถึงบุญที่เทวดาทาอันอำนวยผลให้เขาไปเกิดในเทวโลกแล้วนำมาบอกแก่พวกมนุษย์ว่าเทวดาชื่อนนทํทำบุญทำความดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปเสวยความสุขอย่างนี้อย่างนี้ในโลกทิพย์อันสำราญไปเที่ยวในนรกแล้วสนทนากับสัตว์นรกถามถึงกรรมที่เขาทาว่า ทำกรรมอย่างไรจึงต้องมาเกิดในนรกต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสถึงปานนี้เมื่อทราบแล้วก็นำมาบอกแก่พวกมนุษย์ด้วยเหตุนี้คนจึงศรัทธาเลื่อมใสพระสมณโคดมและสาวกของพระสมณโคดมมากลาบสการะจึงเกิดขึ้นมากส่วนพวกเราเสื่อมจากลาบสการะหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดียรถีผู้นั้นจึงกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าเราสามารถฆ่าพระมหาโมคลานะเสียได้ลาบสการะจักเสื่องจากพระสมณโคดมและเจริญขึ้นแก่พวกเราเป็นแน่แท้เดียรถีทุกคนเห็นชอบกับอุบายนั้นจึงวางแผนจ้างโจนคณะหนึ่งให้ฆ่าพระมหาโมคลานะขณะนั้นพระมหาโมคลานะอยู่ที่ตำบลกาลสิลาพวกโจนผู้เห็นแก่ข้าจ้างไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษจึงชวนกันไปล้อมที่อยู่ของท่าน พระอัครสาวกเบื้องซ้ายทราบว่าบัดนี้มีผู้ปองร้ายมาล้อมที่อยู่อาศัยของท่านท่านจึงหนีไปเสียด้วยอํานาจฤทธิ์ของตนวันนั้นทั้งวันพวกโจรไม่ได้เห็นพระเถระเลยวันรุ่งขึ้นพากันไปล้อมอีกพระเถระทราบความที่พวกโจรมาล้อมเช่นวันก่อนท่านจึงเข้าฌานแล้วยังฤทธิ์ให้เกิดขึ้นทําลายมณทนช่อฟ้าเหาะขึ้นสู่อากาศหนีไปได้อีก โดยในนี้ในเดือนแรกและเดือนที่สองโจรไม่อาจจับพระเถระได้แต่พวกเขาไมา่ได้ละความพยายามเลยพอถึงเดือนที่สพระเถระผู้อุดมด้วยฤทธิ์พิจารณาเห็นว่านี่คือการชักมาแหงกรรมอันตนเคยทำไว้แล้วจึงปรงสังขารมิได้หลบเลี่ยงพวกโจรจึงสามารถจับท่านได้ทุบท่านจนกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนข้าสารหัก พวกโจรแน่ใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงโยนศพไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งเมื่อพวกโจรไปแล้วพระมหาโมคลานะผู้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว่าเราควรไปเฝ้าพระาศาสดาสีก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วประสานกระดูกด้วยเครื่องประสานคือชานกล่าวคือเข้าชานแล้วอธิษฐานให้อัตภาพของตนเรียบร้อยเป็นปกติดังเดิมแล้วห่ะไปสู่สำนักพระาศาสดา ซึ่งเวลานั้นประทับอยู่ณเวรุวันนรรครราชคฤท์ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกบัดนี้ถึงเวลาที่ข้าพระองค์จะนิพพานแล้วข้าพระองค์ขอทูลลาปรินิพพานพระเจ้าข่าทรงสดับถ้อยคํากราบทูลลาของพระอัครสาวกอย่างสงบอย่างผู้รู้เจนจบในความเป็นไปทั้งปวงแล้วตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่า โมคลลานะจะไปนิพพานที่ไหนที่ตำบลกาลสิลาพระเจ้าข่าเมื่อพวกโจรไปแล้วพระมหาโมคลลานะผู well ้ยังไม่สิ้นชีวิตคิดว่าเราควรไปเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วจึงนิพพานดังนี้แล้วประสานกระดูกด้วยเครื Atl ่องประสานคือชาน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 ทรงสดับถ้อยคำกราบทูลลาของพระอัครสาวกอย่างสงบอย่างผู้รู้เจนจบในความเป็นไปทั้งปวงแล้วตรัสถามอย่างอ่อนโยนว่าโมฆลานะจะไปนิพพานที่ไหนที่ตําบลกาลสิลาพระเจ้าข่าทรงดุษณีอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าโมฆลานะเราปรารถนาฟังธรรมจากเธอจงแสดงธรรมให้เราฟังสักหน่อยก่อนเพราะต่อไปนี้ เราจะไม่ได้พบเห็นสาวกเช่นเธออีกดูเถิดดูท่านผู้เป็นธรรมราชาทรงเคารพธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นทงขอฟังธรรมจากสาวกของพระองค์ผู้คล้ายธรรมย่อมไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมเรียนธรรมเพราะธรรมปิติย่อมเกิดขึ้นในขณะฟังธรรมหรือเรียนธรรมนั่นเองปิติเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นความปรารถนาความต้องการของสัตว์โลกทั่วไป พระมหาเถระรับสนองพระพุทธประสงค์นั้นถวายบังคมพระทศพลแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศแสดงฤทธิ์ต่างๆกล่าวทำเฉพาะพระพักของพระาศาสดาแล้วทูลลาไปนิพพานณตาบลกาลสิลาข่าวเรื่องการนิพพานของพระมหาโมคลานะกระชอนไปทั่วชมพูทวีป และรู้กันทั่วไปว่าพวกโจรเป็นผู้ฆ่าพระมหาเถรศีลแล้วพระเจ้าอาชาศตรูราชาแห่งแควนมคตสทรงให้ราชบรุษตามจับโจรพวกนั้นมาลงโทษให้ได้วันหนึ่งพวกโจรนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านสุลาแห่งหนึ่งพอเมากันเต็มที่ก็ลืมตัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ตนพึงอวดคนชั่วมีการทาชั่วอยู่เป็นปกติมั่งคั่งพรั่งพ ร, งพร้อมไปด้วยความชั่ว มีความชั่วมากเมื่อถึงคราวอวดก็ต้องเอาความชั่วหรือกรรมชั่วที่ตนทำนั่นแหละออกอวดอวดพวกชั่วด้วยกันก็ต้องอวดว่าใครชั่วเหนือกว่าด้วยประการชนี้เมื่อโจรคนหนึ่งถองหลังของโจรอีกคนหนึ่งให้ล้มลงโจรที่ถูกถองนั้นโกรธจัดจึงคำรามขึ้นว่าไอ้หัวดือ้อทำไมมึงจึงถ้องหลังกูเล่าโจรที่ถองเขาก่อนอวดสักดาว่า ไอ้โจรชั่วร้ายก็พระมหาโมคคลานะพูดเรื่องลือว่าเลิศฤทธินั้นมึงลงมือตีก่อนหรือกูไม่ใช่หรือที่ลงมือตีก่อนใครอื่นจะประสาอะไรกับมึงเท่านี้อีกคนหนึ่งจึงว่ากูก็ตีพระมหาโมคคลานะเหมือนกันมึงไม่เห็นหรือโจรทุกคนต่างอวดอ้างผลงานของตนคืออัชญรกรรมอานันตริยกรรมที่ตนทําแล้วทําแล้วทุ่มเถียงกันเสียงดังขึ้นดังขึ้น จาระุบบรุษของพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ยินดังนั้นจึงจับโจรพวกนั้นไว้ทั้งหมดแล้วกราบทูลแด่พระราชาในการสอบสวนโจรพวกนั้นซัดทอดไปถึงเดียรถีคณะหนึ่งว่าเป็นผู้จ้างให้ทำด้วยทรับหนึ่งพันกหาปณะพระราชาจึงรับสั่งให้จับเดียรถีพวกนั้นเท่าที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดรวมกับพวกโจรที่ร่วมมือกันฆ่าพระเถระเมื่อจับได้แล้ว รับสั่งให้นำไปฝังในหลุมลึกประมาณสะดือของแต่ละคนที่พระลานหลวงให้กรกด้วยฟางและเชื้อไฟอย่างอื่นแล้วจุดไฟเผาเมื่อเห็นว่าพวกนั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทำให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยรับสั่งให้เอาโจนสี่คนเสียเปล้าประจานไว้เย็นวันหนึ่ง พิสษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าสังเวทจริงหนอพระมหาโมฆลลานะมรณภาพในแบบที่ไม่สมควรแก่ตนเลยพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่พิสูตทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าพิสูุทั้งหลายโมฆลลานะมรณภาพไม่สมควรแก่ตนในอัตภาพนี้ก็จริงแต่สมควรแก่กรรมของตนที่เคยทําไว้ในชาติก่อน ภิสูจทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของพระเถระพระาศาสดาจึงตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการโมคลาณะเกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีประนิบัิมารดาบิดาอย่างดีทุกอย่างเป็นที่รักที่ชื่นใจของพ่อแม่มารดาบิดาเห็นใจเขามากเพราะต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านปรารถนาให้เขามีความสุข จึงขอร้องให้เขาแต่งงานเสียกับสตรีที่เหมาะสมกันสักคนหนึ่งโดยที่ท่านทั้งสองจะจัดการให้เองแต่กุลบุตรผู้นั้นไม่สมัครใจเขาบอกมารดาบิดาว่าเขาพอใจปฏิบัติพ่อแม่ไม่ต้องการหญิงสาวมาเกี่ยวข้องเขามีความสุขจากการที่ได้ประนิบัติมารดาบิดาฝ่ายท่านทั้งสองเห็นลูกเหน็ดเหนื่อยก็สงสารเห็นใจอยากให้มีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ จึงนำสตรีสาวคนหนึ่งมาให้ให้ครองกันฉันสามีพัญญาหญิงนั้นบำรุงแม่ผัวอยู่ได้เพียงสองสามวันเท่านั้นก็เอื้อมระาาไม่ปรารถนาเห็นท่านทั้งสองเลยติเตียนมารดาบิดาต่างๆให้สามีฟังแล้วสรุปว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองแต่กุลบุตรผู้นั้นไม่เชื่อฟังคำของพัญญาจึงทาเฉยเสียหญิงนั้นไม่ละความพยายาม เมื่อสามีออกไปนอกบ้านเธอเอาเชือกปอบ้างก้านปอบ้างฟองข้าวต้มบ้างไปเรี่ยายไว้ให้รกรุงรังเลอะเทอะเมื่อสามีกลับมาเห็นดังนั้นจึงถามว่านี่อะไรกันนางนั้นบอกว่านี่แหละคือการกระทำของมานดาบิดาของท่านแกตาบอดแล้วที่ยวทำเรือนให้สกปรกไว้ทุกแห่งฉันทนไม่ไหวจริงๆฉันไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนแก่อย่างนี้อย่างนี้ ดูเถิดพราดาสิ่งที่คิดไว้อย่างหนึ่งกลับเป็นเสียอีกอย่างหนึ่งมารดาบิดาสงสารลูกเห็นใจลูกจึงนำหญิงสาวมาเพื่อช่วยเหลือลูกให้มาอยู่เป็นมิตรของตนช่วยเหลือตนและลูกแต่กลับมาเป็นศัตรูของตนเสียในเวลาไม่นานเลยบางคนชิงชังเกลียดลูกสะพ้ายกีดกันไม่ปรารถนาให้บุตรของตนแต่งงานกับหญิงที่บุตรของตนรักแต่พอเขาแต่งงานกันแล้ว ลูกสะภ้ายเป็นคนดีรู้จักปรนนิบัติเอาใจพ่อแม่ของสามีจนในที่สุดท่านทั้งสองรักเธอยิ่งกว่าลูกของตนไปก็มีดูเถิดพระดาสิ่งที่คิดไว้อาจไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่ไม่เคยคิดไว้อาจเกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยเหตุปัจจัยไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาอย่างเดียวเมื่อพัญญาบ่นพร่ำอยู่อย่างนั้นบ่อยๆกุลบุตรผู้นั้น แม้เป็นผู้มีบารมีอันบำเพ็ญไว้แล้วมากก็เหนื่อยหน่ายในมารดาบิดาและแตกกับท่านทั้งสองเขาพูดกับพัญญาว่าเอาเถอะฉันจะจัดการเรื่องนี้เองวันหนึ่งเขาให้มารดาบิดาบริโภคแล้วจึงกล่าวว่าพวกญาติในหมู่บ้านโน้นต้องการพบคุณพ่อคุณแม่กระผมจับพาท่านทั้งสองไปเขาให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ยานนยแล้วพาไป เมื่อถึงกลางดงจึงลวงว่าขอคุณพ่อคุณแม่จงถือเชือกไว้โคทั้งสองจักเดินไปเรื่อยเรื่อด้วยการใช้ประตักเพียงเล็กน้อยในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ผมจะลงไประแวดระวังภัยดังนี้แล้วมอบเชือกไว้ในมือของบิดาลงไปสักครู่หนึ่งเปลี่ยนเสียงเหมือนเสียงโจรซุ่มอยู่มารดาบิดาได้ยินเสียงนั้นเข้าใจว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงกล่าวว่าลูกเอ๋ย พ่อและแม่แก่แล้วตายก็ช่างเถิดเจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจ้าให้พ้นภัยบุรุษนั้นทำเสียงดุดโจนมุ่งเข้ามาหาคนชราทั้งสองทุบตีมารดาบิดาผู้คร่ำครวญอยู่ว่าลูกเอย๋ยพ่อและแม่แก่แล้วจะตายก็ช่างเถิดเจ้าจงรักษาตัวเจ้าให้พ้นภัยดังนี้จนสิ้นชีวิตทิ้งไว้ในโด่งแล้วกลับไป ดูก่อนท่านผู้แกรงภัยในวัดตะความหลงผิดทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ขณะมารดาบิดาคร่าครวนถึงความปลอดภัยของเขาอยู่นั่นเองเขาได้นำภัยมาสู่ท่านทั้งสองโดยมิได้ประวันพรั่นถึงบาปกรรมและไม่สะเทือนใจในเสียงคร่าครวนของท่านเรื่องนี้ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง พระศาสดาครั้นนำบุพกรรมของพระมหาโมคคลานะมาเล่าแก่พิสูจนทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพิสูุทั้งหลายโมคคลานะทํากรรมหนักอย่างนี้ในอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดในนรกมกไหม้อยู่เป็นเวลาหลายแสนปีแต่วิบากกรรมยังไม่สิน้นเธอถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอย่างนั้นถึงหนึ่งร้อยอัตภาพมาแล้วพิสูจทั้งหลายโมคคลานะ ถึงมรณกรรมไม่เหมาะสมแก่กรรมในปัจจุบันก็จริงแต่เหมาะสมแก่กรรมที่ตนได้ก่อไว้ในอดีตโดยแท้พวกเดรัจฉิจํานวนมากประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายก็ถึงมรณกรรมเหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันพิสูจทั้งหลายบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมได้รับภัยพิบัติ10ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งหนึ่ง ถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความแตกสลายแห่งสรีระเช่นการถูกตัดมือตัดเท้าหรืออุปเทะเหตุอันทําให้อวัยวะพิการ 1. อาพาธหนักหนึ่งิตฟุ้งซ่านหนึ่ ง, ง, งอุปสักขัดขวางจากพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่หนึ่งการถูกกล่าวตูวอย่างร้ายแรง 1. ความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่ง ความเสียหายแห่งโรคะทั้งหลายหนึ่งไฟย่อมไหม้เรือนของเขาหนึ่งนอกจากนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปบังเกิดในนรกดูก่อนท่านผู้เกรงภัยในวัฏฏะพระอครสาวกผู้เลิดด้วยฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงปานนี้ก็ยังเคยทำกรรมหนักเช่นอนันตรียกรรมและได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นเวลานานแต่ในที่สุดท่านก็พลกรรมได้ด้วยความเพียรพยายาม ทำตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าความสิ้นอาสวะเป็นอนิสงส์สูงสุดแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งมวลของมูสัตว์เกิดขึ้นได้ด้วยมีอาสวะเป็นปัจจัยอันสำคัญพระมหาโมคคลานะนิพพานไปแล้วแต่ชื่อเสียงกิตติคุณอันดีงามที่สร้างไว้ในปชิมภพของท่าน ยังคงอยู่และคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่าที่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังคงดำรงอยู่ในโลก